ได้ อะไรมากมายตอนนีโโ้บางเวลาไม่เป็นไรแต่เธออยู่ไกลบางเวลาฉันยุ่งใจลืมกันไปบางเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ร้องเสียใจปล่อยมันไปก่อนนะคิดถึงฉันสักครั้งหนึ่งไม่ได้คิดถึงใครทำตัวตามสบายแล้วเจอกันในความฝัน มีเวลาดีวบอกให้ฉันได้ฟังไม่มากเกินไปดังนั้นค่ อ, คอยรักกันเบาๆโฮื่อได้ชัด ใใบางเวลาไม่เป็นไรเธอเธออยู่ไกลบางเวลาฉันกังวลใจจลิมกันไปบางเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ต้องเสียใจปล่อยมันไปก่อนนะคิดถึงจนสึกครัง้งนี้ไม่ได้คิดถึงใครทำตัวตามสบายแล้วเจอนในความฝัน มีเวลาดีๆ บ, บอกให้ฉันได้ฟังไม่มาเกิไปดังน้าเคยเครักกันเบาๆ คิดถึงฉันสักครั้งไม่ได้คิดถึงไปทำตัวตามสบายเลยเจอในความฝันมีเวลาดีๆก็บอกให้ฉันได้ฟังค่อยๆกาดกันเบาๆค่อยๆวาดกันเบาๆด